ชีวิตลเตาบังคับ เ, เข้าสู่ช่วงแคสตี้วันนี้เป็นแคสที่919ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันใ น, นฝันวิทยาที่ต้องปรเจอความขึ้นลงของชีวิตยอย่างชี่นิต่เรียกว่าขึ้นสุดขั้วลงสุดขีดกว่าได้ และโ เ, เหตุนี้ทำให้ลูกลงมือเขียนแคสตดี้มาอยังรายการที่สามารถให้คาตอบในเชิงกฎแห่งกรรมได้อย่างดีสุดขั้วชัวสุดขีดทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวลูกขอเริ่มเรื่องเลยนะคะแต่ลูกถขึกนหน่อยขึ้นในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่มีลูกติดติดกันแบบไม่เวน้นวรรค ไม่เว้นวักเลยถึง8ดคนแล้วก็ในจำนวน8คนนี้มีฝาแฝดที่คลอดพร้อมกันทีละสองคนถึงสองคู่แฝดสองคู่ทำให้สภาพครอบครัวของเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเนอร์เซอรี่ต้องแบกภาระเลี้ยงเด็กอ่อนวัยไล่เรียบพร้อ ม, อมกันถึง8ดคนใดเหตุนี้จึงทำให้คุณพ่อตัดสินใจยกตัวลูกกับหลานของท่านที่แต่งงานแล้วแต่ไม่มีบุตร หลังจากนั้นลูกก็ต้องจากอ้อมกอดแม่ไปตั้งแต่อยู่ได้เพียงสองขวบแต่ลูกก็มีความสุขค่ะเพราะพ่อแม่บุญธรรมทั้งรักทั้งดูแลลูกระดูดลูกแท้ๆของตัวเองจนกระทั่งลูกได้เรียนจบปริญญาตรีเขาทํางานแล้วก็เด็กแต่งงานกับวิชาที่มีสกุลลุนชาติคนหนึ่งเขาเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีฐานะแถมยังเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ลูกทํางานอยู่ และการแต่งงานในครั้งนี้เองเหมือนจะทําให้ชีวิตลูกหวือหวา <Hey. S 1> แล้วก็ดูสุขสบายมากขึ้นแต่นิจามันกลับตรงกันข้ามเพราะลูกอยู่ในสภาพที่เหมือน <Hey. S 1> โดนเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่รู้ตัวเ <Hey. S 1> พราะสา ม, มีได้ยกค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดให้ลูกเป็นคนรับผิดชอบก็ <Hey. S 1> แม่บ้านนะ่ะเนาะไอว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ากับค่าค่าเลี้ยงลูกถึงสามคน ข้าจีปทาทาแต่งหน้าเรวมองถึงค่าเราเรียนด้วย ท, ทั้งนั้นที่เขาก็รู้ดีว่าลําพังเงินเดือนที่ไม่มากมายนักของลูกก็แทบจะไม่พอกับรายจ่ายแล้วอีกทั้งลูกตั้งรับภาระาส่งเงินค่าเลี้ยงดูให้แม่ด้วยทุกเดือนแต่ลูกก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากค่ะเราะลึกๆเชื่อว่าหากเงินลูกหมจริงๆสามีก็คงต้องช่วยลูกนแน่ๆเลยอย่างเขาก็ไม่ได้นอกใจอะไรลูกเลย แต่นั้นไม่นานสามีก็จะบอกให้ลูกลราออกจากงานไปทําฟาร์มเลี้ยงวัวเพื oh. ่อจะได้มีไรายได้เพิ่มมากกว่านี้ oh. แต่พอมาทําเข้าจริงๆลูกต้องไปจนกับการป ร, รับตัวหลายอย่างทําให้บางเดือนเงินที่ได้จากขาวนาวัว oh. ก็ไม่พอใช้ <c oughs> ลูกจึงมาปรึกษากับสามีสามีกระ บ, บอกว่า oh. ถ้าไม่มีเงิน oh. ก็ให้กู้เงิน <Yeah. S 1> แต่กู้เงินกับเขาสิ ให้แม่บ้านกู้เงินพ่อบ้านเขาเขอคิดดักเบีย้ยกลูกแค่ร้อยละสองเท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้นะ่สร้างความสะเทือนใจให้ลูกทำไมเขาถึงทำกับลูกได้ถึงขนาด น, นี้แต่ลูกก็ตัองอมเพราะไม่มีทางเลือกถึงถิทั้งต่อมาอไรายได้จากการขายนมวัวของลูกก็ไม่หอมมากถึงขนาดไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมและค่าหอพักของลูกๆอีกประมาณห 0,000 ่นบาท เูกจึงต้องวิงวอนขอร้องให้สามีผู้เป็นพ่อแท้ๆของลูกๆช่วยจ่ายเงินค่าเราเรียนให้กับลูกๆของเขาแทนแต่เขาก็ปฏิเสธจยงไม่มีเยื่อใหญ่ทำเหมือนไม่ใช่หน้าที่แล้วก็ไม่ยอมใจแม้แต่บาทเดียวทั้งนั้นที่เขามีเงินเก็บในบัญชีมากมายอีกทั้งมีเงินเดือนเยียบแสนบาท แ, แต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในบ้านก็เป็นตงรับผิดชอบตอนนั้นลูก ก็รู้สึกผิดหวังและยอมรับเขาไม่ได้เลยเพราะการปฏิเสธของเขาทำให้ลูกต่างแบกหน้าไปขอยืมเงินคนอื่นจ่ายค่าเทอมให้ลูกๆแทนคนพ่อผู้แสนอรวยของพวกเขาเอง oh. ซึ่งยังมีเหตุการณ์ทํานองนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งจนกทั้งลูกบท ร, ราบว่าสามีแอบไปมีภรรยาใหม่จึง ท, ทำให้ลูกตัดสินใจแยกทางจากสามีโดยเด็ดขาดโดยหอบลูกทั้งสามคนออกจากบ้านระหกระเหนิน ไปขอสายบ้านเพื่อนอยู่อย่างไม่รู้จะตากรรมชีวิตตอนนั้นเคว้งคว้างเหลือเกินแต่ทั้งที่ตอนนั้นตัวเราเองก็ไม่มีงานทําไม่มีเงินใช้แต่ลูา ก, ก็ฮึดสู้ค่ะเพราะถือว่าตัวเองก็มีความสามารถในการซื้อขายที่ดินจึงได้ยึดอาชีพเป็นนหน้าขายที่ดินและลงทุนซื้อขายเองจนมีไรายได้ทําให้ฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งลูกยังมีความสามารถในการเลือกแบบบ้านคือโูกบ้านพปอยู่เองทั้งสามหลังก็มีแต่คนชมว่าชอบและชมว่าสวยน่าอยู่มากแต่ตอนนี้ขายไปหมดแล้วหรือว่าอยู่ปัจจุบันเพียงหลังเดียวและช่วนั้นลูกยังรับรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ขนาด3ามพันไร่จะจัของกว่าจะ19รายซึ่งลู ก, กรวบรวมได้สาเร็จจนเจ้าของบริษัทตลึงในความสามารถและผลงาน จึงยกบริษัทที่กำลังมีปัญหาของเขาให้ลูกบริษัทนึงทาให้ลูกดีใจมากแล้วก็เดบริหารจนลุ่งเรืองมีเงินหมุนเวียนรวมหนึ่งรอล้านบาททําให้ชีวิตติดตกตามสุดขีดกลับลุ่งโรดขึ้นอีกครั้งแต่พอเริ่มทําท่าจะดีมีกําไรมากขึ้นเรื่อยๆเยจ้าของบริษัทก็กลับมาบอกลูกว่าไอ้ลก เ, เงินกําไรผ่อนจ่ายทยอยคืนเงินให้กับเขาด้วยซึ่งลูกก็เป็นงงมากค่ะ กลายเป็นว่าเขาไม่ได้ยกบริษัทนี้ให้กับลูกแต่เป็นการให้ลูกซื้อบริษัทแบบผ่อนทรงจากเขาแทนซึ่งเหตุการณ์มาถึงขนานนี้ลูกก็ต้างจำยอมแต่ยอมได้เป็นนานก็เกิดภาะวะ IMF ซ้ำร้ายเปกว่า น, นั้นลูกโดนกงทรัพย์สินกว่า1ิบล้านบาททำให้ลูกต้องล้มละลายลงในบัตรดลเชิงนั้นลกก็เรียดมากเรามีแต่หนี้สินท่วมตัวจึากะท่านมีคนมาชวนโลกมาวัดปฐรรมกาย ลูกอยากมามากแต่ลูกไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าน้ำมันรถเขาจึงออกให้พอมาถึงวัดลูกก็อยากสร้างพระธรรมกายไปจําตัวอีกทําให้ลูกได้ยืมเงินเพื่อนสร้างไปก่อนสามองค์<า>แต่เขาบอกว่าให้ลูกยืมห้า0 0ื่นเลยอีกสองหมื่นที่เอาไปไว้ใช้แล้วตอนใดนั้นเองลูกก็หันไปเห็นคนจนํานวนหนึ่งกระดูกันเข้าไปต่อรับผ้าไตรกะทิน เราจะวิ่งไปต่อแถวบ้างด้วยความปิติแล้วรับกับเขาด้วยแต่พอมาดูอีกทีว่าแถวที่ลูกไปต่อ น, นั้นเป็นการปรณนาเป็นปราร้องจากความปิติใจเปลี่ยนเป็นอึกทึกใจเหมือนตัวเองกำลังตกบันไดบุญพลอยได้บุญอย่างแรงเพราะตอนนั้นลูกไม่มีเงินเลยแถมยังติดหนี้สินอีก แต่ลึกๆจิตใต้สำนึกลูกก็ได้บอกตัวเองอย่างองอาจ mm hmm. ว่ายังไงลูกรับมาแล้วก็จะต้องทำบุญนี้ให้ได้ mm hmm. พุยก็เลยแนะนำว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทำใจสบายๆไม่ต้องกลัว mm hmm. กลัวนี่ต้องแก้ดีความ mm hmm. ไม่กลัวไม่กลัวยังไงลูกก็รับมาแล้วก็ต้องทำบุญนี้ให้ได้ พูดกันเลยนั่นนะว่าไม่ต้องกังวลอะไรให้ทําใจสบายๆไม่ต้องกลัวโดยการไม่นั่งสมาธิที่พนาวัดจะไม่ใหุ้ให้ลูกได้ไปนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกที่สวนพนาวัดลูกนั่งสมาธิด้วยความเมื่อยและฟุ้งซ่านนึกอะไรก็ไม่ออกเลยพอนึกออกอยู่อย่างเดียวคือตอ่อติถังก็ให้ขายเครื่องจากคนหนักได้จะได้เอาเงินมาทําบุญกระถิน เปนลูกอธิษฐาน ท, ทีทีอย่างใจจดใจจอ่อ oh. เรียกใดว่าอธิษฐานตลอดเวลาก็ว่าได้แล้วอยู่ๆก็มีเหตุอศัศจรรย์เกิดขึ้นคือโ oh. ลกนะได้รับโทรศัพท์ในวันพุธขณะที่อยู่สวนพนาวัดว่า oh. มีคนมาขอซื้อเครื่องจักรหนักแล้วส oh. ึ่งไปเล่นน่าแปลกมากที่สุดสำหรับลูก oh. เพราะเครื่องจักรหนักนี้นับตั้งแต่บริษัทลมละลาย จะบอกขายอย่างไรก็ขายไม่ได้เลยโ<ม>ดยเหตุการณ์นี้ทําให้ลูกได้เงินก้อนใหญ่มาทําบุญ<ม>เป็นประธานรองกรถิ่นปี254หนึ่งอย่างอาศาัศจรรย์<า>และก็มีเงินใช้นี่เพื่อนอย่างเหลือเชื่อค่ะ<า><ม>แต่เรื่องราวความอาศาัศจรรย์ของการทําบุญกระถิ่นยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะเหตุการณ์ในทำนองนี้ได้เกิดขึ้นกับลูกซ้ําๆอีกในการทําบุญอีกหลายครั้ง รวมถึงบุญกระถินปี49นี้ด้วยคือลูกจะมาต่อแถวรับผ้ากระถินทั้งทั้งที่ไม่มีเงินอีกแล้วในวันอาทิตย์ต้เนเดือนที่2 ก, กรกฎาคมนี้เองพอรับเสร็จผ่านไปได้3วันอยู่ก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกคือแบงก์ยองอนุมัติเพิ่มเงินวงเงินกู้ให้ลูกสร้างโรงแรมต่อทั้งที่ยิงขอแบงก์ไปตั้ง8เดือนแล้ว ยังไม่มีทีเท่าจะให้เลย <Yeah. S 1> จึงทำให้ลูกมีเงินเหลือพอที่จะทำบุญประทานร่างกฐินปีส<า>ี่เก้าได้ในทันทีอย่างนะ่ามหัศจรรย์อีกแล้วค่ะคุณ<า>พ่อลูกท่านรับราชการอยู่กรมทางหลวงถุงคนใจดีแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างทำไปเลยดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุรี่จงทามาเลิกได้ตอนอายุหกสิบกว่าปีแต่แต่ออยังนั้นไม่นายก็เป็นเรกถุงลมโป่งพอง และกลายเป็นมะเร็งปอดในที่สุดโดยในช่วงที่คุณพ่อป่วยหนักนั้นลูกรับท่านมาอยู่ด้วยจึงทําให้ท่านได้ดูดีมซีและก็เร่งทําบุญทุกบุญทําให้วารัสุดท้ายท่านจากไปอย่างสงบโดวัยแปดสปีคุณแม่ลูกเป็นคนที่ลูกห่างเคือกับท่านมากเพราะลูกไม่ได้อยู่กับท่านเลยแต่่เป็นคนมีพื้นฐานจิตใจดีไปวัดทำบุญตามประเพณีบานปลายเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งเต้านมอายุ69ปีคุณพ่อบุธรรมของลูกชานรับราชการอยู่กรมทางหลวงท่านเป็นคนไม่โก้ไม่กินเลยจะดื่มเหล้าหลังเลิกงานเวลาหนึ่งกัก๊กแต่ท่านไม่เคยอรารวาสทําเป็นคนไม่สะสมอะไรเลยแม้แต่บ้านก็ไปซื้อพระอาศัยบ้านราชการอยู่ไปเรื่อยๆวันสุดท้ายท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องปากวัย45ปี คุณแม่บุญธรรงลูกทำเป็นคนใจดีตักบาตรทำบุญทุกวันทำเป็นแม่บ้านที่ชอบเข้าสมาคมเล่นไพ่ทุกวันบ้านปลายชีวิตท่านเป็นมะเรง็งลําไส้ใหญ่เสียชีวิตดี๋ยววัยหกสิบหาถามบุญกรรมใดทำกับพ่อแม่มีลูกติดติดกันและมีลูกแฝดถึงสองคู่คะบุญกรรมใดทําให้ลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและบุญใดทําให้ลูกถูกเลี้ยงเป็นอย่างดีทําให้ลูกถึงมีความสามารถในการรวบรวมที่ดีในะเป็นผืนใหญ่ๆได้ แต่ไม่ใช่เป็นเจ้าของส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมได้แต่กลับมีบุญได้เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้เราสร้างเหตุกันมาอย่างไรคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีบ้านหลายหลังและไม่ว่าจะปลูกบ้านกี่หลังกี่หลังก็เป็นบ้านที่ใครใครก็ชมว่าสวยงาม น, น่าอยู่ทุกหลังคะบุญใดที่ทำให้ลูกไดเป็นเจ้าของบริษัทยอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายถึงล้มละลายโดนโกงกว่าสิบล้านลูกและคนที่โกงลูกเคยผูกแวงกันมาหรือไม่อย่างไร เราจะต้องแก้ไขอย่างไรคะรูปและกอบเหตุเป็นอย่างไรถึงได้มาทําบุญกระถินแบบตกคนได้รอยบุญลอยได้บุญลแล้วก็มีงานทําบุญอย่างอัศาจารรย์หลายครั้งทั้งๆติดๆนี่แล้วไม่มีเงินฉะนั้เงินจากการข า, ขายเครื่องจกักรได้จากแบงค์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ให้คะการที่ลูกได้ทาบุญกรินอย่างอัศาจารรย์เกี่ยวกับการที่ลูกอธิษฐานหรือไม่อย่างไรคะถ้าเกี่ยวข้าวอาธิษฐานทำไมาคำอธิษฐานลูกถึงสำเร็จผลเร็วมากคะ การทำบุญแบบตกบันไดบุญพลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นแบบใดคะ <Yeah. S 1> และสะสมบัติที่เกิดจากการทําบุญทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่มีเงินแต่สะสมใจทใําไปก่อนแต่ลึกๆคิดว่าเราจะต้องได้เงินมาทําบุญแล้วก็ได้มาทําจนสาเร็จจริงๆเวลาบุญส่งผลสมบัติจะมีเงื่อนไขอ ย, อย่างไรหรือไม่คะบุพกรรมใดๆใพ่ อ, อลูกเป็นมะเร็งปอด และแม่กับลูกเป็นมะเร็งต้านมท่นั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเดล้าบนทิวทิตย์หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุพกรรมได้ทำให้พอ่อบุญธรรมกัลูกมีบ้านอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างสบายแต่ไม่ใช่บ้านของตัวเองบุพ<ม>กรรมได้ทำให้พอ่อบุญธรรมเป็นมะเร็งในช่องปากและแม่มันทําเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทนั้งสองตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเดล้าบนทิวทิตย์ หรือมีอะไรอยากฝากบอกไหมคะบุญใดที่ทำให้ลูกมีลูกๆที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักลูกมากๆลูกๆและตัวลูกสร้างบุญมีกมูคนะมันมในรูปแบบใดมีนอที่อะไรในกองทัพรมเคยก็ถึงพระธรรมกายไหมคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะ รั บ, บตาฝันเป็นตุ้มตาติ่นขึ้นม า, านแล้วก็นํำมาล่ฟังเป็นนิยายประลํบรากันนะจ๊ะคุณพ่อคุณแม่มีลูกที่ติดกันและมีสองคู่แฝดละในดีตนั้นสองเป็นสามีภริยากันในสังคมเกษตรกรรมได้เพาะพันธุ์สัตว์ขายให้คนอื่นเข้าไปเลี้ยง เป็นพันเป็ดพันไก่เป็นต้นนํามาส่งผลชอบพ่อพันสัตว์ส่วนสองคู่แฝดก็คเคยเป็นลูกท่านในอดีตแต่ติดานจิตว่าิทยาได้มาเกิดเป็นลูกท่านอีกแต่นด้มาบุญส่งผลพร้อมกันจึงได้มาเกิดเป็นแฝดดังกล่าวแจ้าตัวลูกถูกยกให้กับหลานของพ่อและถูกเลี้ยงอย่างดีเพราะ เคยเกิดเป็นลูกของหลานของพ่อเคยเป็นพ่อเป็นลูกเมื่อก่อนและเคยเกิดคุณมากระทันในบางชาติที่เกิดเป็นญาติกันเคยทั้งเป็นพ่อลูกแล้วเคยเป็นญาติกันด้วยและเคยเกิดกันด้วยจึงทําให้ท่านรักและเลี้ยงดูอย่างดีส่วนท่านเป็มีลูกเพราะมีกรรมตอนสัตว์มาส่งผลพ่อกับแม่มีผ <kind S 1> สมพันเพราะพันุสัตว์พ่อเป็นธรรตอนสัตว์เออ งานตระการลูกดกนี่ oh. ไม่ต้องการที่มีลูก oh. เวลาวิบากมาส่งผล oh. เออที่จริงทำมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเนะี่ย oh. มันก็สัตว์ของตัว oh. แต่เนี่ยว oh. ิบากกรรมเป็นกฎที่แตกต่างจากกฎหมายที่สมมติขึ้น oh. เปลี่ยนแปลงได้หลีกเลี่ยงได้บางครั้ง oh. แต่นี่ไม่ได้ไม่ได้ oh. ดพดเพราะนั้นผู้ออกแบบกฎแห่งกรรมนี่ ไม่ธรรมดาหรอกลูกสามารถรวบรวมที่ดินเป็นผืนใหญ่ได้แต่ไม่ใช่เจ้าของเพราะในที่ลูกมีบุญที่ชวนคนบริจาคที่ดินแต่ไม่ได้ทําเองเนะี่ยมาส่งผลจะให้ได้ที่ดินเป็นของคนอื่นสามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ว่าต้องเป็นของผู้ที่ก็ทําบุญที่ดินเห็นไหมบุญชวนเนี่ยอย่างหนึง่ง บุญทำเองอีกอย่างหนึ่ง oh. เดี๋ยวจะต้องออกข้อสอบนะเจว่าทำบุญด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ชวนคงนอื่นทำบุด้วยตัวเองและช่วนคงนอื่นชวยเนอื่นแต่ไม่ได้ทำทั้งไม่ได้ชวนและไม่ได้ทาอะไรต่างเดี๋ยวจะมีข้อสอบ <c oughs> ส่วนเจ้าของที่ดินไม่สามารถรวบรวมที่ดินได้แต่ได้เป็นเจ้าของเพราะเจ้าของที่ดินมีบุญที่บริจาคที่ดินแต่ไม่มีบุญชวนคนมาถวาย อ บ, บุญสมผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละจ้ม oh. เหมือนอ บ, บุญเอาที่ oh. ดินมาถวายอย่างเงี้ยนะ oh. ตอนเลิบๆกันก็บอกอย่าง oh. พอไม่เลิอบบอกอีกอย่างนิเนี่ยก็จะได้ที่ดินนะ <Okay. S 1> จะได้ชั่วคราว <laughs> แล้วก็จะมีเหตุให้ที่ดินนั้นอันตรธานไหมเนี่ยอือ <c oughs> เวลาเลิบๆก็บอกเอ้าตาย ไอครูไม่ใหญ่ทำอะไรก็ได้แต่พอไปเริ่มกันไม่ได้ต่างอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยหลังก็เอาประจัยมาดีกว่าง น, นี่ตอนนั้นอยากได้ที่เยอะเนะี่ยเพราะอะไรเพราะอยากจะขยายธรรมะแต่ น, นั้นไม่ได้คิดว่าจะมีด m c ออยากได้ทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็มีที่ แล้วก็หาทีมแล้วก็หาทุนสร้างที่ทีมทุนเพื่อจะขยายธรรมะของพระสัมมา ส, ามมาสามัมพุทธเจ้าอยากให้ในหมู่บ้านก็ปฏิบัติทำงานอยากได้มากเลยเท่านั้นก็มีคนเอาที่มาถวายเยอะๆเขาบอกถวายเป็นงานส่วนตัวนะกระโพูดีดีแล้วแต่จะเอาไปทำอะไรก็ได้เออ พิลึกกึกกเหมือนกันเลย น, ะนี่แปลว่าครูวิยาเคยทําบุญด้ที่ดินมัน้งแต่และาคงจะไปเปลี่ยนแปลงภายหลังเงนเนอะแน่เลยอย่างนี้ต้องวิวากรรมอย่างนี้แน่เลยอพอมีดีเอ็มซีบอกไม่เอาแล้วครับที่ดินมาหายไม่เอาแต่ก็มียังมีบอกรับหน่อยเถิดเพราะว่าพ่อป่วยแม่ยายตาย พยายามเข้าโงรงพยาบาล น, นะอา้าวเขาก็จะอย่างนี้ก็จใจอ่อนเขาทุกทีแหละแต่จริงๆแล้วเอาไปขายช่วยขายขายแล้วเอาเงินมาดีกว่าจะได้ามาทําให้มันเสร็จๆไปซะแล้วก็จะได้รับพุทธบุตรทั่วโลกเนี่ยหลากนิ่กายรับให้ไ ป, ไปเรือนร้านเราจะได้ทําบุญไปเรือนร้านดีไปจะ้ะดีแล้ววิบ้านอยู่หลายหลังแล้วทุกหลังคนชมว่าสวยๆนะอยู่ทุกหลังเพราะ บุญที่มีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวายพระแต่ว่าไม่ได้ถวายทั้งหมดมาส่งผลใช่ค่อยๆร่วมบุญเขาสร้างกุฏิพระแต่ไม่ได้สร้างทั้งหลังแต่คนละอย่างอนี้ถ้าเรารับทั้งหลังแล้วใครมาร่วมบุญด้วยอย่างนี้ได้อย่างนั้นแปลว่าเราเป็นเจ้าของแต่คนอื่นก็มาร่วมบุญเราก็จะมีทรัพย์และก็มีพวกพ้องแต่นี่เรามีส่วนร่วมในบุญเขาอะไรอย่างนั้น คนละอย่างั้ น, นะจ๊ะลูกจะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไปหลังถูกโกงกว่า10บล้านและล้มละลายเพราะในดีที่ตัวลูกมักจะทำบุญไม่สม่ำเสมอเห็นไหมเจ๊ทำไมต้องทำบุญดีทีเพื่อมาให้ความตระนนีได้ช่องนั่นแหละเมื่อทำบุญไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตรันนีในบางชาติพระบุญบาปจะชิงช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลา และการที่เคยไปโกงเข้าไว้เนี่ยได้ช่องมาสง่งผล oh. ให้ได้เป็นเจ้าของบริษัทอยู่ช่วงหนึ่งแต่ภ <'s> right. าหลังถูกโกงแล้วก็ล้มละลายจะ้ะ mm hmm. นี่ไปโกงเข้ามาก็จะโดนโกงบุญไม่เพียงพอลองรับสมบัติก็ล่มละลายไปเลยนะ s right. <S คนที่ไม่มีบุญลองรับสมบัติให้ไปพันล้านก็หมดจ้ะรับไม่ได้ s right. <S ลูกแล้วคนที่โกงลูกก็เคยผูกเวรผูกเวรกันมาข้ามชาติโดยในชาติหนึ่งที่เติมลูกแล้วเขาได้เข้าหุ้นทําการาค้ากัน แล้วตัวลูกจะไปโกงเขาไว้เนี่ยเขาก็เลยผูกเว้นว่าจะเอาคืนในชาติใดชาติหนึ่งจ้ะเ<อ>นี่ยพอมาเจอกันก็นอย่างนี้แหละจะแก้ไขลูกก็ต้องทําอย่างนี้นะจ๊ะให้เอาโหสิกรรมกันไปเลยอย่าไปผูกเว้นให้เลิกแล้วต่อกันให้จบกันในเพียงชาตินี้แล้วให้สั่งสมบุญทุกโบนและติดฐานเจตพิพากแต่คนดีไม่คดไม่โกงแล้วก็ให้ตัวลูกประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานแล้วก็ไปโกงใครด้วยจ้ะ ลูกเดียวมาทำบุญกระถินแบบตกบันไดพลอยได้บุญต้องตั้งใจฟังอันนี้ดีและมีเงินได้ทำบุญอย่างอัศจรรย์หลายครั้งทั้งทงที่ติดหนี้และไม่มีเงินเช่นแต่เงินจากการขา ย, ขายเครื่องจักรได้จากแบงค์อนุมัติเพิ่มวงเงินกู้บ้างเพราะบุญเก่าที่เคยทำกับหมูคณะมาส่งผล<อ>นี่เคยทาบุญร่วมกันมา แล้วจะส่งผลต่อไปอีกนะไม่ช้าให้หมดหนี้สินหลือกินเหลือใช้หรือไว้สร้างบรมีดังที่ลูก ป, ปราถนาโ ด, ดยบุญทั้งนาดีแล้วเราจะ บ, บันที่ทํากับหมู่คณะเจ้าให้ลูกเตรียมล้างมือให้สะอาดอไว้รับทรัพย์จ้าเอเมจ้เพราะทําบุญอัศจรรย์กังทียติดตินี่ไม่มีเงินแต่ความรู้สึกว่าไม่มีเงินไม่มีอยู่ในใจครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีนี่ นี่บุญเก่าได้ช่งมากาที่ลูกได้ทําบุญกระถิ่นอย่างอาศัศจารย์นั้นก็เกี่ยวกับคํารปฏิฐานในปัจจุบันด้วยเริ่มกับบุญเก่าเนื้อดีที่ทํามากระหมูคณะนั้นกล่าวจ้ะเขาอฏิฐานสำฤทธิผลเร็วมากเพราะในอดีตเวลาลูกจะทําบุญจะตัดสินใจทํานันทีไม่รีรอสาธิสัยนี้จึงติดตัวมาถึงปัจจุบันนี้เลยจ้ะ<อ>และมือบนอ ม, อบมือบุญสมบลก็จะปุ๊บ ป, ปั๊บจ้ะ<อ>นี่ บ, บุญส่วนบุญเห็นไหมจ้ะ บ, บาปส่วนบาปตานส่วนตานตระหีส่วนตรนี ถ้าไม่ทําบุญต่อเนื่องบาป ท, ที่เราทำที่เราเดําเนินชีวิตผิดพลาดจะด้วยความไม่รู้เลยด้วยความจงใจอะไรก็แล้วแต่มันจะได้ช่องการที่ทําบุญแบบตกบันไดพลอยได้บุญแบบนี้เวลาบุญส่งผลสมบัติจะเกิดขึ้นอย่างกระตันหันไม่คาดคิดจ ะ, จะรวยฉุกละหุก<อ>นี่นี่แบบตกบันไดพลอยได้บุญเนี่ย หรือไปรู้เรื่องรู้ราวเดินไปอินโนเซนต์แต่ว่าใจเป็นบุญไปรับมาและและะ้วก็ทําจนได้เวลาบุญสมผลก็จะได้สมบัติอย่างกระทันหันไม่คาดคิดรับไปแล้วก็อย่าไปกังวลเลยเนี่ยแม้เราดูแล้เนี่ยถ้าเราทําตาลำพังไปไม่ถึงเป้าหมายแล้วก็ใช้ตัวของเราจ ะ, จะปากของเราติดติดที่ห น, น้าของเรากับขาของเราพาตัวเราไปหาผู้มีบุญไปชวนเขามาทําบุญ เราทำความดีแล้วก็จะได้บริวารสมบัติแล้วก็จะได้กําลังพวกพ้องที่ดีจะมีเพื่อนเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะแยะแต่ในฐานะเราไปพูดนําเนี่ยเราก็รวยกว่าเขาแต่เขาก็จะรวยแต่รวยตามเราแล้วก็มาครบกันอีกและเราก็จะมีบริวารด้วยส่วนเขาก็มาเป็นพวกพ้องเราถ้ามีพักมีพวกความสะดวกมันตึองจะมีถ้าไม่มีพักมีพวกความสะดวกก็ไม่มี สมบัติจะเกิดขึ้นมาอย่างง่ายๆแบบไม่มีเงื่อนไขเมื่อลูกตัดสินใจทำบุญทันทีแม้ว่าตอนนั้นจะยังไม่มีเงินแต่ลึกๆในใจคิดว่าทำได้แล้วก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วย mm hmm. คือเราไม่มีเงินแต่เราตัดสินใจทำแล้วเราต้องถามให้มันสำเร็จรผังสำเร็จนี้จริงจะได้ mm hmm. แต่ถ้าทำไม่สำเร็จก็ได้ไปตามกำลังบุญนะจ๊ะ แต่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีแล้วก็มีคนอยู่ในโลกนี้ตั้งหกเดพันล้านคนในเมือ ง, งไทยก็60สิบกว่าล้านคนที่เรารู้จักกันเยอะแยะขึ้นชื่อ่าคนเนีเจอที่ไหนเราไปชวนก็ทําบุญได้ทั้งนั้นแหละซึ่งมันก็จะมีอยู่สาประเภทคือชวนแล้วเขาก็ทําเลยชวนแล้วบางคนก็เฉยๆคิดดูก่อนชวนแล้วบางคนก็ก็ไม่ทําก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ไม่เห็ น, เ ป, นเป็นแปลกอะไรเลยแต่ถ้าหากเราใช้ความเพียรเราก็จะไดุ้ริยะบุญมี ใช้ความอดทนกับเจ้าหน้าที่บารมีใช้ความตั้งใจจริงว่าเราจะไปทําให้ได้ให้สําเร็จถึงเป้าหมายนั้นก็เป็นสัจจะบารมีของเรา อ, องลูกเป็นมะเร็งปอดเพราะการรมสูบุรีในปัจจุบันเป็นหลักเพรว่ากรรมในดีทิค้าศาสัตว์รมหารมาเสริมบ้างเล็กน้อยตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกถูกพิพากษาไปอยู่ในหลุมกีเถ้าร้อนๆด้วยกรรมสูบุรีได้รับบุญ ท, ทีิฐิไปให้แล้วแต่ก็ยังไม่หมดกรรมจ้ะให้ทิฐิบุญไปให้ท่านอีกรเรื่อยๆจ้ะ คนยังไม่รู้อีกเยอะเลยเนี่ยว่ากฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยล้วนมีผลทั้งสิ้นมันเป็นยังไงต้องศึกษาไม่เชื่อไม่เป็นไรศึกษาไปก่อนเผื่อว่าถึงเวลาตอนนั้นเราจะได้มีเอาไว้ใช้แล้วจ๊ะมีเอาไว้ใช้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เชื่อหรือไม่ศึกษาไว้เวลาจะใช้มันไม่มีนี่ไง แม่งลูกเป็นมะเร็งเต้านมเพราะกามกาเ ม, มจะชูบในสมัยที่เป็นผู้ชายารวมกับกรรมการปาิบัติค่าสาธารมหาและค่าขายมารดกสมม่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิวัฒนาระดับทั่วไปมีวิมานอยู่มีอาหารเป็นที่เป็นต้นแต่ละบุญเตี่ยที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้าให้ทำบุญเตียที่ไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าพอบุญทโลูกมีบ้านอยู่สบายจนตลอดชีวิตแต่ไม่มีบ้านเป็นของตนเองละ ใน ด, ดีชอบไปร่วมงานบุญเช่นไปสร้างวัดวารามก็<อ>มีจิตยินดีอนุโมทนาบุญที่คนอื่นก็ทําแต่ตนเองไม่ทำเนี่ยไม่ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญที่อนุโมทนาบุญก็ได้ไปนิดนิด oh. แต่ก็พอให้มีบ้านได้อยู่ oh. แต่ว่าไม่ใช่บ้านของตัวเองเพราะไม่ได้ทําำ oh. อนุโมทนาสาธุเอาไปนิดนิด แต่ทำเองเอาไปเน็ดเน็ดปจ้ะพอันทาเป็นมะเร็งในช่องปากเพราะกรรมน่ดีมีวิจีกรรมชอบด่าว่าผลักพยายผู้มีศีลมีธรมรมระบาคำฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มและกรรมดื่มสุราในปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะวันละกักตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกของมหานรขุมหําลังโดนเจ้าที่กรอกน้าทองแดงร้อนอยู่ทุกสารวันมาก แต่ยังมีบุญที่ทําตามประเพณีอยู่บ้างดื่มสุราแล้วก็ไม่ได็ดไปทำอะไรเด็ดร้อนมาอุ้ไมไว้ไม่ให้ไปมาหานรก็ได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ได้รับลดยันผ่อนโทษลงมาจ้าให้ทําบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆท่านจะได้พ้นทุกข์แม่บุญทําเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะกรรมในอดีตท่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจีนเป็นหลักมาส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสดสวยสายคนทันยันจตุมหาราชิกา ได้บุญที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาเดี๋รับบุญ ท, ที่ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพ ย, ยสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าท่านทั้งสองอยากได้บุญมากๆให้ลูกทําบุญด้ทิพไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าลูกตัวลูกเองมีลูกเป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากเพราะในดีตัวลูกเป็นคนเคารพเชื่อฟังมิดามารดาบุญนี้จึงส่งผลให้ได้มีลูกที่เป็นคนดีเชื่อฟังและรักตัวลูกมากจ้า เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นการสบียงประเภทตามอารมณ์เท่าเวลาจะทําบุญก็ตัดสินใจทําทันทีแต่บางครั้งก็นึกว่าโอ้ทำไปเยอะแล้วแต่นั้นเวลาบุญส่งผลก็จะรวยลุ่งเวลาไม่มีบุญเพราะคิดว่าทําไปเยอะแล้วสมบัติก็ร่วงโรยแต่นายอาาร์นี้ก็ต้องทําบุญที่สม่ำเสมอในทุกบุญ แล้วมันปฏิบัติธรรมทุกวันก็จะได้เข้าถึงพระภายในได้จ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบริารมีใเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิบบุรีวงบนมิกเศ ษ, ษ, ษ, ษเขตบุรลมโพดิษว์จะได้พลัดกันเลยจ้า ท, ที่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสัดดี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้